Uthan <speaking in foreign language> sar. ชีวิตอยู่ก็ให้คนไายในเรื่องอาทานศีลาภาวนาแล้วก็ทำอย่างไรก็ได้ให้จิตนั้นมีกุศลอยู่ตอลอดไม่ว่ากลางคืนกลางวัน ถ้าจิตมีกูศสนอยู่เนี่ยใจนั้นไม่เศร้าหมองถ้ากูดสนของใครที่ไม่เจริญเล ย, เยพอ น, น, นานๆไปเนี่ยจิตก็จะมืดบอดไปเรื่อยๆ ฉะนั้นการไหวพระเช้าเย็นหรือเช้าค่ำก็ดีการได้สมทานรักษาศีลการได้นั่งสมาธิรมฌานก็ตามตลอดถึงการได้ฟังธรรมแล้วก็พิจารณา แจนเกิดความรู้ที่สามารถทำให้เห็นแจ้งธรรมะได้จึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนาโยมอยากเข้าใจว่าวิปัสสนาต้องอยู่ในอิริยาบทที่นั่งขัดสมาธิและกำหนดว่านั่นคือวิปัสสนา ได้เฉพาะจุดเดียวไม่ใช่นะวิปัสสนาก็คือสภาพที่จิตนั้นรู้และพิจารณาเห็นธรรมะที่มีอยู่ในโลกใบนี้ฉะนั้นหลายคนคิดว่าธรรมะอยู่ในในหมวดหนังสือ ต้องอ่านถึงจะรู้ธรรมะจริงๆไม่ใช่ทั้งหมดโยมเคยได้ยินที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไหมว่าพระตถาคตจะอุบัติก็ดีไม่อุบัติก็ดีสภาพธรรมนั้นมีอยู่ ปรากฏอยู่เพียงแต่ตรถาคตได้รู้ในพระสัจธรรมที่มีอยู่แล้วก็ตรัสรู้ธรรมะที่มีอยู่จิตนั้นก็หลุดพ้นได้โดยธรรมธรรมาจึงบอกว่าพูดว่าธรรมะมันกว้าง กว้างจนไม่มีขอบเขตที่จะประมาทไม่มีทะเลนี่ยังยังมียังมีฝั่งใช่ไหมแต่ว่าธรรมะของพระองค์มันกว้างจนจนจะนิยามอะไรขึ้นมาว่าเป็นธรรม ศิลปศาสตร์แห่งความรู้ทั้งหลายนะไม่ใช่เกิดในวันเดียวที่พวกเรามารู้มาเรียนอยู่รุ่นสู่รุ่นผ่านวันสายน้ำที่ไหลจนไปรวมกันในมหาสมุทร ธรรมะมีอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมในโยมถ้าโยมนิ่งนิดหนึ่งนะมีสติระลึกรู้ตามพระองค์ไม่ได้พูดธรร ม, มะขีดเส้นแล้วก็บอกบรรทัดนี้ ร้อยคนหมื่นคนพันคนแสนคนล้านล้านคนก็คือบรรทัดนี้คำนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่มันเป็นทุกข์และดับทุกข์ได้ใจนั่นแหละคือธรรมง่ายไหมสั้นไหมต้องมาบอกเป็นอย่างนี้เอง พระพุทธเจ้าเมื่อดับทุกขได้จึงประกาศธรรมะโดยวิธีที่พระองค์ดับทุกได้ฉะนั้นคนที่บรรลุธรรมะคือคนที่ดับทุกขแล้วหรือทุกนั้นดับ ดับแบบสนิทเลยนะไม่มีส่วนเหลือนิชาโตปรินิพุตโตดับสนิทไม่มีส่วนเหลือหมดสิ่งปรารถนามันมีคนหนึ่งเขาถามว่าคุณเห็นผมแสดงอยู่คุณรู้สึกผิดหวังไหมเขาถาม ว่าผมเล่นดีไม่ดีคุณรู้สึกดูแล้วคุณชอบหรือผิดหวังไหมมีคำตอบบอกว่าไม่ผิดหวังคนแสดงก็ดีใจนะก็เลยถามต่อว่าก็หมายถึงว่าคุณชอบสิเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ชอบเลยเอา้าวแล้วทำไมจึงไม่ผิดหวัง เขาก็ตอบว่าเพราะเขาไม่ได้ตั้งความหวังอะไรไว้เลยจึงไม่รู้สึกว่าต้องผิดหวังและทำไมจึงดูเป็นชั่วโมงแล้วไม่ลุกไปเขาบอกว่าเขาทนดูอยู่ดูว่าจะจบยังไง เพราะว่าไหนๆก็มาแล้วก็ใช้ขันตินิดเดียวเดี๋ยวก็จบก็าบกพูดแสดงไม่มีคำพูดเลยเดินก้มหน้าไปที่เขาไม่ผิดหวังเพราะเขาไม่ได้ตั้งความหวังอะไรไว้ฟังให้เป็นธรร ม, มะมันก็เป็นนะ ที่คนเสียใจมากก็เพราะว่าคาดหวังไว้สูงคนที่เป็นบ้าเป็นใบจนถึงสะอึกสะอื้นพูดไม่ออกบางทีต้องบอกว่าผิดหวังไม่ได้ต้องสมหวังอย่างเดียวแต่ผลที่ออกมาไม่เป็นอย่างนั้นจุดท้ายก็เลย รับไม่ได้ก็บางคนก็ซึมลึกไปบางคนก็สติแตกบางทีก็แสดงออกบางคนก็เก็บอยู่ข้างในก็มีสองในใยะเก็บก็ซึมลึกหมดอะไรตายอยากพอแสดงออกมาก็เหมือนกับเหมือนให้คารู้ ว่าเราได้แสดงออกมาให้เห็นว่าเรารับไม่ได้ได้ยอมรู้ไม่อะไรคือธรรมะที่กล่าวมาตรงนี้คุณยังดับทุกข์ไม่เป็นคุณรู้แต่คำวมาทุกข์เกิดแต่คุณไม่รู้วิธีทําให้ทุกข์ดับคุณไม่เป็นวิปัสสนาะ แตมาก็มากำหนดว่าทําไมต้องมากําหนดธาตุสี่ขันธ์ห้ารูปนากายจิตกําหนดทําไมจริงๆกําหนดให้เรารู้เพืเรารู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรแท้จริงเป็นแบบไหนแค่นี้จริงๆพอรู้เสร็จแล้ว ต้องถามว่าคุณคิดเป็นต่อไหมถ้าคิดเป็นวิปัสสนาก็เกิดตรงเนี้ยคุณคิดเป็นต่อไหมว่าเมื่อรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนบอกว่าชีวิตคุณในเมื่อคุณรู้ว่าต้องตายยึดก็ตายไม่ยึดก็ตาย ยึดหรือไม่ยึดก็ตายคำเดียวหมดเลยลงท้ายตรงนี้แล้วคุณจะเลือกอะไรอาตมาบอกไม่เลือกอะไรแต่เลือกทุกอย่างฟังเหมือนไม่ได้ฟังพูดเหมือนไม่ได้พูดแต่พูดทุกอย่างแล้ว น, นั่นเอหมายความว่าอะไรหรือเอภาษาไทยรุ่นเก่าเสียเลยก็หมายความว่า ถ้าสิ่งนี้มันเป็นทุกข์เราก็ไม่ควรยึดถ้าสิ่งนี้มันไม่เป็นทุกข์เราก็อยู่กับมันคำตอบเป็นธรรมชาติไหมนี่แหละธรรมะบริสุทธิ์ด้วยนะไม่ต้องปรุงแตง่งไม่ต้องปรุงแตง่งไม่มีสารปนเปื่อนเขาบอก ไม่ต้องพัดเฉยไม่ต้องไม่ต้องบานการฆ่าเชื้อไม่ต้องเพราะมันสะอาดอยู่แล้วธรรมะมันเป็นกลา ง, ลางถึงบพร่าเราเราเข้าใจธรรมะเป็นตัวตนอยู่หรือเราเข้าใจธรรมะแบบไม่มีตัวตนหรือเข้าใจแบบมีและไม่มี เข้าใจยังไงอาตมาบอกพูดให้ยาวมันก็คือยาวพูดให้สัน้นมันก็คือสัน้นทำไมอาตมาก็บอกไงว่าถ้าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ และคุณไม่ยึดมั่นถือมัน่นคุณก็มีธรรมะตรงนั้นถ้าสิ่งนั้นเป็นทุกข์และคุณยึดมั่นถือมัน่นคุณก็ยิ่งไม่มีธรรมะตรงนั้นสั้นหรือเปล่าพูดอย่างนี้สั้นไม่ยาวเลยแต่ความไม่รู้ในธรรมะเหตุผลโลก แห่งสมมุติมันยาวมากจนไม่รู้ว่ายุติยังไงเหมือนคำว่าแค้นเนี่ยเริ่มจากเมื่อร้อยปีก่อนในสองตระกูลเกิดผิดใจกันเกิดทะเลาะกันเกิดคดโกงกันแย่งชิงกัน ก็มีเรื่องราวขึ้นมาตกสู่ชั่วลูกชั่วงหลานเล่าขานสืบๆกันมาเด็กรุ่นหลังเกิดมาก็แค้นกันแล้วโดยไม่รู้จักหน้าเพียงแต่รู้ว่าตระกูลนี้เท่านั้นต่ามาว่าฟังตรงนี้ยมบอกโอ้กไกลจังเอาใกล้ๆ สถาบันการศึกษาโยมเหตุหรือเปล่าว่าเป็นอาริกันอยู่กี่รุ่นมาแล้วแค่ดูว่าชื่อโรงเรียนหัวข็มขัดอะไรเท่านั้นแหละก็พร้อมที่จะทำลายกันประหชดประหารกันถึงบอกเออนี่มันเหตุผลหรือไม่ใช่เหตุผล มันไร้สาระแต่ยึดมั่นถือมั่นจนผ่านมาไม่รู้กี่รุ่นรุ่นพี่จบไปดั้งกี่รุ่นแล้วทำงานทำการจนมีครอบครัว ม, มาแล้วรุ่นน้องยังสืบสายเลือดต่ออีกถึงกับบางครั้งยังคิดว่าจะปิดสถาบันการศึกษานี่ดีไหมบอกเออ อาตมาว่าความยึดมั่นถือมั่นที่พูดด้วยเหตุด้วยผลบางเรื่องบางอย่างถ้ามันเป็นทุกข์ที่มันไม่มีสาระจบได้ก็จบเอวังได้แล้วนี่พวกเราไม่ยอมเอวังเสัที เอวังก็มีด้วยประการชนนี้ไม่เอวังไม่จบสมาจึงบอกว่าเออธรรมะผู้บำเพ็ญภาวนาเข้าถึงสัจธรรมแค่ไหนจนถึงสัจธรรมชีวิตสัจธรรมชีวิตบอกเราเลย ว, ว่าแก่เจ็บตายเป็นของร่างกาย นี่ชัดแล้วจมาเข้าใจสัจธรรมชีวิตบอกแล้วแล้วแก่เจ็บตายเป็นของร่างกายแล้วมองเห็นสัจธรรมที่อยู่รอบตัวและที่อยู่ในจักรวาลที่เราอยู่หรือในโลกที่เราอยู่ในผืนน้าแผ่นดินอากาศสัทธาที่เราอยู่ตอนนี้อาศัยเขาอยู่ยมกำลังเข้าใจว่า มันเที่ยงหรือแปลปวจมันคงไว้หรือมีความเสื่อมไปตามกาลเวลานั้นต้องเข้าใจหมดพอเข้าใจหมดไตรลักษณ์ก็เกิดตรงนี้มองเห็นเป็นอ น, นิจจังไม่ได้จำมาพูดจิตมันเห็นจิตเห็นเป็นวิปัสสนา จิตรู้เป็นปัญญาจึงจชมืรู้เห็นแจ่มแจ้งวิปัสสนาจะต้องมาพร้อมปัญญาจึบอกปัญญามีทั้งทางโลกแล้วก็ปัญญามีทั้งทางธรรมถ้าจิตเห็นเป็นวิปัสสนา ใจรู้เป็นปัญญาเน่าอเออแจ่มแจ้งพระเจ้าใช้ว่าแจ่มแจ้งแสดงว่าคนนี้จิตเห็นเห็นธรรมะไม่ได้เห็นตัวตนไม่ได้เห็นบุคคลไม่ได้เห็นแก่เขาว่าใครแต่เห็นธรรมะคือเห็น ธรรมะก็หมายว่าเห็นความจริงที่เกิดที่ปรากฏและที่ดับท่านบอกเออคุณเห็นเห็นธรรมะกับบอกว่ามันไม่เที่ยงมิหน่ามนุษย์ไม่ค่อยพูดคำนี้ พูดแต่ว่ามันเก่ามันเสียโลกพวกเราใช้คาว่ามันเก่ามันเสียซื้อใหม่เปลี่ยนใหม่ซ่อมใหม่แต่ไม่ได้ลึกกว่านั้นเรารู้แต่ใจยังผูกเสียดาย บางคนบอกเสียดายจะตายะจะตายเลยหรืออาตอมาไม่เคยเสียดายรองเท้าคู่เก่าเสื้อผ้าชุดเก่าอะไรที่ประโยชน์ได้ใช้แล้วเมื่อถึงการสมัยที่ควรเปลี่ยนนี่แหละคือธรรมะยึดกับมัน มันก็ต้องเป็นไปตามธรรมตรงนั้นธรรมบอกคือสบายดีน้ำมีลักษณะที่ต้องไหลไม่ได้หยุดนิ่งอยู่ถ้าหยุดนิ่งถูกกักขังเอาไว้ต่อให้กักขังไว้สุดท้ายมันก็ระเหยที่มันไม่หมดเพราะมาเติมใส่นะย ว่าเออในที่สุดจิตที่เห็นใจที่รู้บอกวิปัสนาเจมแจ้งรู้ด้วยปัญญาความเคลือบแคลงสงสัยในพุทธองค์นี้หมดแล้วแต่ต้องเกิดวิปัสสนาก่อนจึง เข้าถึงไตรลักษณ์รู้ลักษณะความเกิดดับที่บอกยังกินจิเสุทยยธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งล้วนเกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายล้วนดับไปเราฟาังดูมันเหมือนกับธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา เพราะอะไรโยมทราบธรรมะนะมันเป็นอย่างนี้แต่ใจของคนไม่ได้เป็นธรรมะทุกคนใจของคนมันยึดอยู่กับความมีความเป็นคือตัวตนที่เรามีอยู่ในชาติเนี่ยเราจะผูกพันกับมันโยมอย่าว่าแต่มนุษย์ด้วยกันแม้สัตว์เดรัจฉานี่เราเรียกว่าสูตรนัก แมวเรายังผูกพันกับมันเลยถ้าเรารักมันนะเราจะผูกพันกับมันบางคนไปไหนพาขึ้นรถด้วยนะช้อปปิ้งใส่แว่นใส่เสื้อสะผมใดผมนั่งโซโ ฟ, ฟาจิบน้ำชาปะ เลิด ก, กับคนซะอีกบางทนะีไปไหนก็ห่วงอีกนะบางคนนั่งส ม, มาธิอยู่ห่วงแนละ้วมันกินอะไรอย่างวะเนี่ยแม่ไม่อยู่ใครจะดูมันเนะ้ะจะดูดีเหมือนเราเดีย๋ยวรีบกลับไปดูดีกว่าว่าขดมันหดหรือมันยาวขึ้น น, ะนั่นเขาเรียกว่าความผูกพัน สัมพันธ์ที่มีต่อกันมันเป็นสิ่งที่แน่นแฟนแห่งความยึดติดโดยเราไม่รู้ไม่รู้พอสิ่งนั้นพัดพรากจากหรือเกิดอันตรธานหรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเราจะรู้สึกว่าเราสูญเสียแล้วก็เสียใจแล้วใจหายแล้วรู้สึกว่าเราไม่มีความสุข เรานึกถึงสิ่งนั้นเคยจับต้องสิ่งนั้นเคยอยู่กับสิ่งนั้นเคยมีอยู่กับสิ่งนั้นเคยเป็นอยู่กับสิ่งนั้นโยมรูมา น, นีเขาเรียกอะไรเราไม่ละอดีตตรรมาจึงบอกมันละเอียดนะ ใจจริงไม่สงบจิตไม่ว่าจึงใช้คำว่าอุปทานเรามีอุปทานอยู่หลายคนนะบางทีพูดไปแล้วก็น่าสงสารผมดำตายก่อนผมหงอก แม่มาเผาศพให้ลูกพ่อมาเผาศพให้ลูกเหมือนรับไม่ได้เหมือนไม่เป็นเรื่องจริงเหมือนว่าเรากำลังฝันอยู่แต่มันเป็นจริง แต่ว่าข้างในใจยังไม่ยอมรับมันค้านความจริงก็คือหลอกหลอกใจตัวเองเรารับไม่ได้ก็หลอกตัวเองไป จะมาเจอหลายคนแล้วเจอหลายคนแล้วก็เคยเจอโยมอยู่หลายคนที่ยอมรับได้พูดง่ายๆด้วยลูกชายแค่ว่าไปเที่ยวตอนเทศกาลเกิดอุบัติเหตุขึ้นเหนือ ไม่ได้ตายทันทีตายอยู่ที่โรงพยาบาลก็เบทธนาก็หลายชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็สิ้นใจแม่ร้องพ่อกลั้นได้ไม่รอ้องบอก อาตมาเจอไปทีงานบอกว่าเขาเป็นลูกผมได้แค่นี้เขาหมดกรรมตรงนี้หน้าที่ที่มีต่อกันก็สิ้นสุดอยู่ตรงนี้ฟังดูมันง่ายจังเลยแต่แม่ยังร้องจนตัวงออยู่นะ จะมาบอกคุณจะร้องอีกเท่าไหร่ก็เพิ่มความทุกข์ความเสียใจมากเท่านั้นเพราะคุณเปลี่ยนอะไรมันไม่ได้แล้วยอมรับบำเพ็ญกุศลให้กับเขา และหยุดเสียใจในที่สุดคุณต้องหยุดถ้าคุณไม่หยุดคุณก็ทำลายตัวเองจะ ก, กี่วันจะมาตอบไม่ได้นะแต่เห็นแล้วว่าโยมผู้ชายเขาเขาอยู่กับธรรมะเขารู้ว่าเขาสูญเสีย ลูกชายคนเดียวนะเขารู้เขาสูญเสียแต่เขามีธรรมะเขาใช้หลักธรรมะอย่างนี้ต่มาถามว่าเป็นวิปัสสนาไหมงานศพลูกเนี่ยเกิดดวงตาเห็นธรมได้ไหม ยมนึกว่าไปเห็นศพคนอื่นแล้วถึงมีดวงตาเห็นธรรมหรือไม่เสมอไปบางคนเกิดความขดขู่ขึ้นม า, าบ้างคนใกล้ตายจึงมีดวงตาเห็นธรรมชีวิตตัวเองจวนเจนจะตายจึงรู้แจ้งธรรมขึ้นมา จมาบอกธรรมะพิดสดาลลําลึกไม่รู้จะจบยังไงเริ่มตรงไหนสิ้นสุดที่ใดใจตอบไม่ได้เลยโยมอยาเข้าเจอบวชตั้งแต่สมานเณ น, น้อย จนถึงหลวงปู่แลวบรรลุอรหันตผลไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่หลักอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ว่าคนนี้จิตเห็นธรรมหรือเปล่า ตัวรู้ในปัญญาเกิดหรือไม่ท่านะั้นตะมาบอกว่าเออบางคนอยู่กับเบทนามากมากทุกบีบคั้นมากสุดท้ายไม่เห็นอะไรเป็นที่พึ่งที่สุดก็พึ่งธรรมะ ปล่อยวางคืนสลัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผูกไม่มัดไม่ร้อยไม่รัดไม่ยึดไม่ติดคืนกลับไปให้หมดทุกอย่างแม้ความทุกข์นี้ก็คืนกลับไปเริ่มต้นมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้ว ทวนกันนิดหนึ่งคํานี้เริ่มต้นความทุกข์มันก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วแล้วทําไมยมไปทุกข์ทักกันว่าเป็นของเราจนตายเป็นของเราตลอดไปมันไม่ใช่มันบอแม่นเดอร์อลีมันไม่ใช่ทบทวนจริงๆเริ่มต้นความทุกข์นี้เป็นของเราหรือเปล่า เปล่ามาเมื่อไหรมาตอนไหนมันอยู่กับเรานา น, านแค่ไหนอยู่แต่พอสอนไหนมันมาด้วยเหตุการ์เรื่องอะไรบอกบอกเออพิจารณาพิจารณามิหน่าถึงให้กำกหนดรูปนาม คือให้เห็นว่าเป็นสภาพทุกข์พระพุทธเจ้าก็ไม่ธรรมดาเพราะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเกลียดที่สุดก็คือคำว่าทุกข์ถามจริงใครใครรักคำว่าความทุกข์บ้างเดี๋ยวจะให้เลยไม่ต้องผ่อนเลยสดๆเลยเข้ามาใกล้ๆเจ้าดาวกี่ดวงเดี๋ยวให้เลย มตมาบกให้กาหนดรู้แต่ใจของเรานี้เห็นทำหลายอย่างรู้อย่างเดียวเนี่ยลืมนะเผลอได้พอมีสิ่งมายั่วยุมีสิ่งมาล่อลวงมีสิ่งมากวนใจมีสิ่งมาหยิบยื่นเป็นผลประโยชน์บ้างมนุษย์ ก็ยังมีความกำหนัดยินดีร้อยรัดความเกลียดความแค้นความชังยังมีอยู่ต่มาบอกเออเจอสัจธรรมอีกข้อ น, นึงเมื่<บ>อกี้บอกเห็นแก่เจ็บตายเป็นของร่างกายเราเห็นแล้วล่ะจิตนี้ร่างนี้เราเห็นแล้วมีสมภาพทุกข์มีความพลัดพรากมีสิ่งที่ต้องจากกัน และสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ถาวรรู้แล้วแก่เจ็บตายเป็นของร่างกายอยู่ไปอยู่มากำหนดต่อสุขทุกข์ดีใจเสียใจมันเป็นอารมณ์ขณะจิตเท่านั้นเกิดปรากฏดับเกิดปรากฏดับจิงชัง รักโลภโกรธหลงแค้นเครื่องทั้งหมดเป็นการปรุงแต่งโดยอํานาจแห่งกิเลสสมานทั้งนั้นใจเห็นไหมไม่ได้เห็นด้วยตาแล้วนะทีนี้ต้องถามว่าจิตนั้นเห็นไหม ถ้าจิตเห็นวิปัสสนาโกดเห็นด้วยจิตสมารจริงไม่แปลกใจพระอริยะท่านเห็นด้วยจิตจึงเป็นอริยะถ้ารู้แบบที่พวกเรารู้โดยสัญญาไม่เข้าอริยะเขาเรียกว่าเป็นรอบนอกไม่ได้เข้าสู่สภาวะธรรม ที่เห็นแจ้งภายในจิตยังสติยังไม่ตั้งจิตยังไม่แจ้งความรู้ยังสับสนรู้ติดติดดับดับรู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วยังสงสัยอยู่บอกเออคุณสิ้นสงสัย ออกจากใจเมื่อไหร่นั่นแหละคุณก็จะเห็นสัจธรรมยิ่งขึ้นไปอีกแต่มาจึงถามว่าเริ่มต้นทุกนี้ก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วแม้แต่สุขก็ไม่ใช่ของเราทุกอย่างเหมือนมันเกิดชั่วขณะยอมลองนึกดูเหมือนสายฟ้าเปรี่ยงเปรียปร่ยง มันเป็นของใครโยมว่าเราได้แค่รู้แค่เห็นแค่ได้ยินเอาว่ามันไกลไปเอาเอาฝนและกันตกลงมาโยมได้เห็นสายฝนน้ําฝนหยดน้ําจนได้อาบได้ดื่มได้กินได้ชําระร่างกายถามจริงเถอะที่กินไปเป็นของโยมไหมน้ํานั้นนะ ตอบไม่ดีนะที่ดื่มน้ําฝนที่รองจากฟ้าลงมาเมื่อกี้ดื่มไปแล้วยมบอกที่ว่าน้ําฝนนี่เป็นของเราอืมแต่มาตอบให้น้ําฝนที่รองลงมาใส่ขันเมื่อกี้ที่ดื่มไปเนะี่ยเราได้ดื่มน้ําฝนซึมซับโดยธาตุสี่ ขับถ่ายโดยธาตุสีเป็นเพียงธาตุสีไม่ใช่เราอาศัยอยู่ความสมมุติว่าเราเท่านั้นรู้มันเย็นขนาดไหนสดชื่นยังไงสระชกกรกโปรกรู้หมดไม่ใช่ไม่รู้แต่น้ำนั้นก็มีการถูกขับถ่ายไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ซึมซับในอวัยวะ นี่พูดถึงว่าดื่มเข้าไปแล้วนะโอ้นี่มองอย่างเป็นของเลยเอาของที่มันค้นๆหน่อยเอาเป็นดินแล้วกันอาหารผลไม้ที่เราทานอยู่ทุกวันโยมผักผลไม้ข้าวกับข้าวน้อยใหญ่ทุกชนิดที่ทานลงไปเข้าปากแล้วเคี้ยวแล้วกลืนแล้ว ทั้งรสทั้งกลิ่นไปไหนโยมซึมซับไปในร่างกายแปลงเป็นพลังงานขับถ่ายทิ้งออกเป็นของเสียเป็นของเราไหมขึ้นต้นว่าธาตุสี่ไม่เที่ยงเราก็อยู่ในธาตุสี่ อวัยวะให้กำหนดว่าเป็นธาตุสี่และกำหนดลึกไปอีกเป็นของไม่งามตับไตไชพุงนะาดูโอโหเป็นพวงเป็นพวง ก, กลิ่นคราวออกมาธรรมะบอกเออเห็นแล้วละ่ะรู้ รู้ลเหยนลมีสภาพไม่เที่ยงร่างกายนี้ทำงานไม่เคยหยุดเสาอาทิตย์เลยโยมรู้ไหมโดยเฉพาะหัวใจกับลมหายใจโยมหลับนึกว่าลมมันจะหยุดนะตาถ้ามันหยุดโยมไม่ตื่นหรอก ถ้าหัวใจมันหลับไปด้วยมันก็ไม่ตื่นแล้วได้โยมลองคิดดู ว, ว่ามันทำงานตลอดตั้งแต่เริ่มเกิดจนถึงสุดท้ายนะมันทำงานหนักขนาดไหนแล้วมันก็มีความแปรเสื่อมสภาพ สังเกตนับเปอร์เซนต์กันเลยดีกว่าพอวัยอายุของคนพอขึ้นเลขสขึ้นไปแล้วนะพอปรับขึ้นระดับหระดับหขึ้นไประดับเจนี่อันตรายแลวนะใช้ยาทั้งนั้นเลยร้อยต่มาให้ 99.99 99. ต้องมียาแล้วต้องมีโรคชนิดใดชนิดหนึ่งไม่ก็ฟันผุเริ่มแล้วไม่ก็สายตายาวบ้างสั้นบ้างไม่ก็ผมร่วงหรือผมบางไปเรื่อยๆก่อนเห็นไหมมันเริ่มบอกเราเซลล์ผิวหนังก็เริ่มบอกว่ามันค่อยๆเลยนะค่อยๆตายไปเยอะ ไม่ได้สดใสไม่ได้แต่งตึงแบบเดิมกะเกิก็คืนแล้วเริ่มคืนกระดูกยมนะว่ามันเที่ยงหรือไหมบางคนคดงอบางทีกระดูกงอกทับเส้นก็มีปลายประสาทก็มีสารพัดนี่ไม่พูดอวัยวะเลยนะสักส่วนใดส่วนหนึ่งโอ้โหทั้งหมด นั่นคือสภาพทุกข์ทั้งนั้นเลยโยมบอกด้ว่านี่คือของเราไม่มีคนไหนหลอกยอมแล้วว่าทุกเป็นของเรามีแต่คนที่ไม่รู้ความจริงเท่านั้นบัดนี้ความทุกข์ทั้งหลายโยมยังยึดว่าเป็นของโยมอยู่เลิกโง่ได้แล้วไปลาออกเสียไปสมัครอยู่ที่ไหนความโง่ ไปขอลาออกมาบอกทุกมันควรจะดับได้แล้วเราควรทำวิปัสสนาเกิดจริงๆเสียทีไม่ใช่วิปัสสคิดวิปัสสนึกอะไรก็ไม่รู้ คิดไปเรื่อยฟุงไปเรื่อยมันกันนึกไปเรื่อยสร้างโลกไปเรื่อยจนถึงดาวอังคารน้วปูนโตเนบโตว่าไปโยมถ้าได้เจโตก็ดี<ม>นี่ไม่ใช่ไปโลกอื่นหมดถึงบเดิมทีทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้ว โยมใช้มาหกสิบห้าสิบเจ็ดสิบหรือสามสิบกว่าเลยก็สุดแล้วแต่ยังยึดมั่นว่าของเราอยู่หรือดับได้แล้วถ้ายโยมว่าดับไม่ได้มันเป็นเรื่องที่โยม ต้องทำให้แจ้งเองนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมด h a r m จึงบอกว่าสัจธรรมล้วนมีอยู่ให้ศึกษาให้เราศึกษาอยู่จรอดแต่เราเนี่หลงคว้าเอาเอาอะไรยงรู้ไหมเอาของเปล่าเราเข้าใจว่า นี่เป็นเรานั่นเป็นนี่นี่เป็นเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นโอสุดท้ายจะมาไปเห็นสูตสารทอดยาวเห็นที่ไว้กระดูกอัฐถลเต็มไปหมดรอบอุโบสถรอบกำแพงวัดน้อยใหญ่ตั้งเรียงรายเต็มไปหมด เมื่อก่อนเคยมีเราแต่บัดนี้ไม่มีเราเปลี่ยนจากเราเป็นกระดูกจากสมบัติเป็นเพียงสะดุกเวรกรรมจริงๆมันแพงนักหรือโยมของแค่นั้นหากันจะเป็นจะตายกันนะสุดท้ายเป็นสะูุกเจ ด, ดีย์เล็กๆไม่ได้ใหญ่มากหรอกโยม ใหญ่มากครับวัดเขาเขาไม่ให้ไหว้เราโยมเพราะยังมีอีกเยอะที่จะมาเนี่ยถ้าคนนี้ไม่มีการอนุเคราะห์เกื้อกูลในสถานที่นั้นเขาก็ให้ต่างมากมายรอกสุดท้ายสมบัติทั้งหมดที่มีเหลือเพียงเจดีย์เล็กๆ ความเป็นตัวตนของเราที่สุดก็เหลือเพียงหลังจากเผาเป็นเท่าฐานหรือเป็นกระดูกอยู่ตรงนั้นแค่กำมือเดียวมันมันมีค่าขนาดนั้นเลยจะมาดูไรสาระที่ยามชีวิตเป็นๆอยู่ เราสู้สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สู้อะไรได้หมดถ้าเราจะสู้แต่เวลาตายไปแม้มดสักตัวยังสู้มันไม่ได้คิดเนี่ยนอนสักตัวโยมสู้มันได้หรือโอ้มันชอนชัยกินอยู่นั่นแหะมาแรงวันสักตัวโยมก็สู้มันไม่ได้มาแรงวันใหญ่ไปอ้อมหมัดสักตัวแล้วกัน เราก็สู้มันไม่ได้ในคุยคุยใหญ่โตคุยเอ๊ะโถ่สุดท้ายนึกว่าอะไรได้แค่เจดีย์เล็กๆอันนึงหลังจากเผาเสร็จก็มาเป็นกระดูกกี่เท่าแค่หยิบมือนึง แล้วไหนสมบัติละ่ะสมบัติบ้านเรือนพัสดุสานทรัพย์สิงสริงคารทั้งหมดมันไปไหนหมดถึงบอกเออมนุษย์สุดท้ายก็ล้มละลายในที่สุดก็ล้มละลายถูกยึดทรัพย์หมดเลยใครยึดโยมละ่ะ ันนี้และคนอยู่รอบเราทั้งหมดเปลี่ยนหมดชื่อนามสกุลบ้านก็ไม่ได้อยู่รถก็มาได้นั่งเตียงก็มาได้นอนเขาให้ไปอยู่ JD เจดีเล็กๆสะใจไหมบางคนก็รอบครอบอีกนะรอบครอบอ่า ทำตอนเป็นโอโไปสร้างสูตรสารหนุ่ยใหญ่โตเลยยิ่งต่างประเทศเขามีการค้าน่ะขายๆบ้านนหลังเป็นสิบสิบล้านนะเขาเอาไว้เวลาตายและที่เก็บธุรกิจนี้เฟื่องฟูมากได้ข่าวว่าทางมาเลเซีย น, นี่ทางสิงคโปร์นี่โอ้ระดับ มหาเศรษฐีก็ไปซื้อกันไม่ใช่สิบล้านธรรมดานโยมจะมาบอกแล้วยังไงมันก็คือร่างที่ไร้บิญญาติมันก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาแล้วไม่ได้มานั่งดื่มอาบกับทายอย่างพวกเราอีกจบแล้ว ธาตุสี่หมดหน้าที่ดินน้ำไฟลมสลายดินกลับเป็นดินลมก็กลายเป็นลมกลับไปทุกอย่างยืมเข้ามานั่งภาวนากำหนดอยู่ก็ได้ตอนนี้ร่างที่ยมใช้อยู่ยืมเข้ามาเรายืมมาตั้งแต่ร่างอ่อนๆใบเด็กหมดแล้วนะ แต่มาไม่เห็นล่ะเขาคืนไปแล้วหนุ่มสาวเอาไปแล้วนะใช้แล้วคืนไปแล้วตอนไหนยังไม่รู้เลยสงสัยตอนนอนหลับเขาคืนไปแล้วกลายเป็นหนุ่มใหญ่สาวใหญ่ จนถึงนุมหอ่อสาวหอ่อพูดจริงเรายืมเข้ามาอยู่นานๆนนก็หลงหลงตัวตนหลงชีวิตหลงวัยหลงอายุนึกว่าของเราโถแต่มาบอกว่าแก่เจ็บตายเป็นของร่างกายไม่ใช่ของเราเลย เราไม่ได้กําหนดนั่นน่ะนั่งเดินยืนอยู่ตอนเนี้บอกว่าเป็นของเราดิแต่ของเรานี่อยากแก่หรือไงอยากจะเป็นมะเร็งหรือไงอยากเป็นโรคตับหัวใจปอดไตแล้วเปล่าและที่มันเป็นน่ะมันเป็นเองหรือเราให้มันเป็นมันเป็นของมันเอง เรามีหน้าที่อะไรดูแลบำรุงรักษาเอ า, เอาหมอมันสิเอายามาแล้วยมนวดดํานี่เขาเว้นเหรอเขาไม่เว้นอด่ดาไม่เว้นวันหนึ่งห้ากเม็ดเขาบอกยาอะไรบอกยาชะรอความตาย เป็นคำที่สุภาพนะยาอะไรหรืออยาชะรอความตายสรุปตรงนี้ถ้าพูดถึงโรคมันยังไม่หยุดหลอกมันจะไปเรื่อยๆจากโลภมากเป็นโรคมากอยู่จากโลภมากนะเป็นโรคมากแล้วเมื่อไรเราจะรู้แจ้งในพระสัทธรรม นี่คือคำถามเพราะอะไรเพราะเรามีคนละหนึ่งชีวิตและหนึ่งชีวิตนี้ก็ไม่เที่ยงเฉยอีกอยู่ได้ก็ไม่ได้นานมากเกินร้อยปีทีส่วนใหญ่มากกว่า น, นั้นก็ทรมานเหลือเกินถึงบอกเออเรามีคนละหนึ่งชีวิตผ่านไปแต่และ ว, วัน ธรรมะเคยถามว่าถ้าวันนี้เรามีความสุขเรากําไรแต่วันนี้ถ้าเราอยู่มีความทุกข์เราขาดทุนไม่ว่าโยมจะมีฐานะการเงินกินอิ่มหิวมากน้อยแค่ไหนก็ตามถามว่าวันนี้ที่ผ่านมาแล้วในหนึ่งวันถ้าเรามีความสุขโยมกําไรแล้ว แต่ถ้ามีความทุกข์ยมขาดทุนนี่เรื่องของการค้าขายทางจิตวิญญาณยมจะเข้าใจแต่ค้าขายเรื่องวัตถุสิ่งของบอกเออคุณรู้แค่เปลือกนอกแต่คุณไม่รู้ว่าชีวิตจริงๆเขาเบื่อทุกจะตายอยู่แล้วเขาเหนื่อยหนายกับสิ่งที่ทุกข์ที่เขาต่อสู้มาตลอดชีวิต เขาต้องการพ้นทุกยังยังยังเหมือนอีกยังไม่รู้อีกยังไม่เข้าใจอีกยังไม่แจ่มแจ้งอีกบอกออสุดท้ายคุณเป็นหลงมันคุณต่อสู้ไปต่อสู้มาคุณไปซื้อต้องการอะไรความสบายโอยมานมันหลอกแล้วเขาหลอกเล้วไปฟุ่มเฟืยก็ไปซื้อไอของที่มันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตเลย เขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์จริงๆก็คือขยะยมลองมีให้เยอะจริงๆนะเป็นขยะนั่นในบ้านมีแค่พอใช้นั่นแหละจบแล้วติดภาพสองภาพดูดสวยบ้านเพราะติดทั้งบ้านโอ้โหไม่ใช่เก้าอี้อ โซฟามีชุดสองชุดวางอาดูดีโยมมีสักสิบชุดอยู่ในบ้านมันไม่ใช่คุณยังไม่เข้าใจคุณเข้าใจแค่ว่าสบายแล้วคุณจะมีความสุขเดินไปถึงจุดนั้นแล้วจะมีคําตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็แปลว่าไม่ใช่ ไม่ต้องแปลเพิ่มนะจบแนละ้วไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แปลอีกครั้งก็คือไม่ใช่หรือว่าบอมแมนพอเรายิ่งไม่เข้าใจเราก็ไปติดความสบายโยมต้องเหนื่อยนะซื้อความสบายได้มาเท่าไหร่ซื้อมันเข้าไป นี่แหละชีวิตที่ต้องการโถนิยามชีวิตผิดผิดแล้วเมื่อก่อนนะ้ำมาคิด น, นะบ้านเรามีหนามหญ้าด้วยนะอะบ้านเรามีต้นมะม่วงต้นเตี้ยออกลูกด้วยนะน่เด็กมันคุยทับกันนะผมพอเราซื้อบ้านใหม่นะมีที่จอดรถด้วยนะนัะนุบอกเออแม่เราก็มีสาไวานนะ้น้ํานะเน่นคุยภาษาเด็ก เด็กก็คุยเรื่องวัตถุ ก, กันนั่นคืออนาจารความยิ่งใหญ่ที่เขามองว่าเออมันมันภูมิฐานโอราแล้วมันทําให้ตัวเองมีความสบายมีเกียรติโยมต้องการให้สังคมฆ่ามรคผลหรือเปล่าต้องการให้ความสบายฆ่ามรคผลหรือเปล่าต้อมาถามคํานี้ก่อนทุกอย่างมันมีค่าตอบแทน ยมยอนหน้าตาทางสังคมข่ามรกผลหรือเปล่าถ้าต้องการแตมาบอกคุณเดินผิดแล้วที่สุดคุณไม่ได้อะไรเลยนอกจอากความว่างเปล่าสิ่งลวงโลกเทพเขาไม่ต้องการตรงนั้นเทพเขาไม่ได้กราบไหว้สิ่งนั้น มนุษย์กราบไหวเทพแต่เทพกราบไหวธรรมยงคิดออะไรสูงกว่ากันถ้ายิ่งไม่เข้าใจแล้วว่าเออในที่สุดคุณเอาสังคมฆ่ามรรคผลคุณเอาความสะดวกสบายฆ่ามรรคผลทำไมพระอริยพระอรหันต์ท่านจิงไม่ติดสิ่งเหล่านี้ พาอจิตของท่านเห็นแจ้งใจท่านรอบรู้ปัญญาของท่านเข้าใจสัจธรรมทั้งหมดจบตรงนี้ไม่มีอำนาจแห่งความดิ้นรน นี่คือขีดบรรทัดได้ของพวกเรามีอำนาจแห่งความดิ้นรนอยู่โยมอย่านิดว่าง่ายนะสองคำอำนาจแห่งความดิ้นรนบอกถือว่านั่งสงบแล้วนั่งสงบนอนสบายพอตื่นมามันคลายทุกอย่างไม่จริงอ่ะ ก็พยายามฝึกกำหนดไปในที่สุดโยมจะรู้เองว่าธรรมะอยู่ทุกที่ถ้าเรารู้ความดับทุกโยมก็เป็นผู้มีธรรมะแท้จริงแต่ถ้าเราไม่รู้ทางดับทุกขโยมก็จะไม่เห็นไม่เห็นสัจธรรมจริงๆนะ เราเห็นแต่ตัวตนของเราเราอ้างใ้เหตุผลแห่งความมีความเป็นของเราทั้งหมดสุดท้ายจะมาบอกไงว่าเจดีเล็กๆอันนึงที่เก็บเท่าฐานกระดูกอันอ น, นึงแล้วก็สิ่งนี้จะกลายเป็นอดีตจนถูกลืมในที่สุดว่าไงมมันเป็นประดิตร์ไม่กระดูกเนี้ย ดีนี่เป็นปริศร์หรือเปล่าเปล่าค่อยๆร้างร้างุา ง, งจุ้ยนะโยมสองสามชั่วอายุคนไปด้วยเด้อร้างร้างใครจะไปสนใครจะไปสน มันผ่านไป 30-40 บปีใครจะไปสนเราไม่มีบุญมีคุณอะไรกับเขาใช่ไหมใครจะรู้จักเราเกิดมาหน้าไม่เห็นไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีอะไรกันเลยใครจะไปสนเราที่สุดเราไม่ใช่เป็นปติศาสตร์แต่เราคือชีวิตที่ถูกโลกกลื่นไปคลื่นกระทบฝัง หาใครนับคลื่นนั้นไหมชีวิตดับดิ้นซิดลงไปใครจะรู้ว่าเคยทำอะไรมาบ้างแล้วเป็นได้เพียงแค่อดีตและใครจะมาเล่าอดีตของโยมแต่พู้เุทธเจ้าเรายังเล่าอยู่ตอนนี้ชีวิตของใครยืนยาวกว่าโยมว่าเนี่ยบอเออพระพุทธเจ้า เป็นชีวิตที่เล่าขานกันชั่วลูกชั่วหลานและไม่จบและสิ่งที่เล่ามาล้วนแต่เป็นทางให้คนพ้นทุกข์ด้วยก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเธอ